ตาทุกะ 7. ปัญหาวาระหนึ่งปัจจญานุโลมหนึ่งวิพังข่าวาระเหตุปัจจัยเจสสภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตโดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่ไม่เป็นจิตเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขันและจิตตสมุทฐานนรูปโดยเหตุปัจใจัยในปฏิสนธิขณะสภาวธรรมที่ไม่เป็นจิต เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นจิตโดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่ไม่เป็นจิตเป็นปัจจัยแก่จิตโดยเหตุุปัจจัยในปฏิสนธิขณะสภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นจิตและที่ไม่เป็นจิตโดยเหตุุปัจจัยได้แก่เหตุที่ไม่เป็นจิตเป็นปัจจัยแก่ฉับยุตตะขันจิตและจิตตสมุทฐานรูปโดยเหตุุปัจจัยในปฏิสนธิขณะอารมณะปัจจัย เจสภาวธรรมที istas, ่เป็นจิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นจิตโดยอารมณ์ปัจจัยได้แก่เพราะปรารบจิตจิตจึงเกิดขึ้นพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลเพราะปรารบจิตขันธ์ที่ไม่เป็นจิตจึงเกิดขึ้นเพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลเพราะปรารบจิตจิตและสัมวยุตขันธ์จึงเกิดขึ้น 72. สภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นจิต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 นิพพานเป็นปัจจัยแก่โคตรภูโวทานมักผลและอวัฒนะจิตโดยรมณะปัจจยัยพระอริยะพิจารณากิเลสที่ไม่เป็นจิตยังละได้แล้วพิจารณากิเลสที่ข่มได้แล้วรู้กิเลสที่เคยเกิดขึ้นบุคคลเห็นแจ้งจากสุหาไทยวัตถุและขันธ์ที่ไม่เป็นจิตโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงโทมณัตจึงเกิดขึ้นบุคคลเห็นรูปด้วยที่ประจกักษ์ ฟังเสียงโดยที่ประสงค์ต่าทัรู้จิตของบุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยสภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตด้วยเจโตุปริยายนอากาสานญณายตนะอากินจัญญายตนะรูปายตนะเป็นปัจจัยแก่ขันที่สหรคดด้วยจักผูวิญญาณโพธภายตนะเป็นปัจจัยแก่ขันที่สห่โรขดด้วยกายย่อวิญญาณขันที่ไม่เป็นจิตเป็นปัจจัยแก่อิทธิวิทยาน เจโตปริยญาณปุเพนิวาสานุสติญาณยะถากรรมูปภะญาณอนาคตกังสญาณและอวชนะจิตโดยอารมณปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นจิตโดยอารมณปัจจัยได้แก่บุคคลให้ทานเหมือนกับข้อความตอนต้นไม่มีข้อแตกต่างกันส่วนที่ต่างกันมีดังนี้ รูปลายตนะเป็นปจัจจัยแก่จักขวิญญาณโพธปลายตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณขันธ์ที่ไม่เป็นจิตเป็นปัจจัยแก่อิทธิวิญญาณอาวัชนะจิตโดยอรมณ์ปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นจิตและที่ไม่เป็นจิตโดยอารมณ์ปัจจัยได้แก่บุคคลให้ทานเหมือนข้อความตอนต้นไม่มีข้อแตกต่างกัน ส่วนที่ต่างกันมีดังนี้รูปรายตะนะเป็นปจัจจัยแก่จักรวิญญาณและสัมปยุตตขันโพธายตนะเป็นปจัจจัยแก่กายวิญญาณและสัมปยุตตขันขันที่ไม่เป็นจิตเป็นปัจจัยแก่อิทธิวิทยานละถึงอาวชนะจิตโดยอรารมณปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นจิตและที่ไม่เป็นจิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นจิตโดยอารมณ์ปัจจัยได้แก่ เพราะจจปรารบจิตและสัมปชุตขันจิตจึงเกิดขึ้นมีสามวาระอธิปฏิปจัยเจ็ดสิสภาวธรรมที่เป็น จ, จิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นจิตโดยอธิปฏิปัจจัยมีอย่างเดียวคืออารมณนาธิปติได้แก่เพราะทำจิตให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นจิตจึงเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นจิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็น จ, จิต โดยที่ปฏิปัจจัยมีสองอย่างคืออารมนาทิปติและจหะชาตาทิปติอารมนาทิปติได้แก่เพราะทำจิตให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นขันธ์ที่ไม่เป็นจิตจึงเกิดขึ้นจหะชาตาทิปติได้แก่รธิปดีธรรมที่เป็นจิตเป็นปัจจัยแฉ่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสโมทานรูปโดยที่ปฏิปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นจิตเป็นปัจจัยแฉ่สภาวธรรมที่เป็นจิต และที่ไม่เป็นจิตโดยทิปฏิปัจใจมีอย่างเดียวคืออรมนาธิปติได้แก่เพราะทำจิตให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นจิตและสามยุตขันจึงเกิดขึ้นเจ็ดสิห้าสภาวะธรรมที่ไม่เป็นจิตเป็นปัจจัยแห่สภาวะธรรมที่ไม่เป็นจิตโดยทิปฏิปัจัยมีสองอย่างคืออรมนาธิปติและจารชาตาธิปติ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 ปฏิปดีธรรมที่ไม่เป็นจิตเป็นปัจจัยแก่สมัมวิุตขันธ์และจิตตสมุทฐานรูปโดยทิปฏิปัจจัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นจิตเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นจิตโดยทิปฏิปัจจัยข้อความแห่งปัจจัยทั้งสองอย่างเหมือนกับตอนต้นไม่มีข้อแตกต่างกันพึงเพิ่มอรมนาธิปติและสหชาตาทิปติสภาวธรรมที่เป็นจิตและที่ไม่เป็นจิต เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นจิตโดยทิฏฐิปัจจัยมีอย่างเดียวคืออารมนาทิปติพึงเพิ่มคำว่าทำให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นทั้งสามวาระมีเฉพาะอารมนาทิฏฐิเท่านั้นอันันตรปัจจัย75สภาวธรรมที่เป็นจิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นจิตโดยอนันตระปัจจัยได้แก่จิตที่เกิดฝนก่อนเป็นปัจจัยแก่จิตที่เกิดหลัง โดยอนันตรป<แ>ัจจัยสภาวธรรมที่เป็นจิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตโดยอนันตรปัจจัยได้แก่จิตที่เกิดขึข้นก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่ไม่เป็นจิตซึ่งเกิดหลังๆโดยอนันตรปัจจัยจิตเป็นปัจจัยแก่พุทธานะโดยอนันตรปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นจิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นจิตและที่ไม่เป็นจิตโดยอนันตรปัจจัยได้แก่ จิตที่เกิดก่อนๆเป็นปัจจัยแก่จิตและสัมยุญตะขัน์ที่เกิดหลังๆโดยอนันตราปัจจัย76สภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตโดยอนันตราปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่ไม่เป็นจิตซึ่งเกิดก่อนๆและถึงเป็นปัจจัยแก่พระสมาบัติโดยอนัตตราปัจจัยผู้ประสงค์จะทำทั้งสองวาระนี้ให้บริบูรณ์พึงเพิ่มข้อความเข้ามา เหมือนกับข้บอความที่มีมาก่อนสภาวะธรรมที่เป็นจิตและที่ไม่เป็นจิตเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นจิตโดยอนันตระปัจจัยได้แก่จิตและสัมปยุตตขันที่เกิดกอนกอนเป็นปัจจัยแก่จิตที่เกิดหลังหลังโดยอนันตระปัจจัยพึงอ้างบทที่เป็นมูลจิตและสัมปยุตตขันท <tearing S 2> ี่เกิดกลอนกอนเป็นปัจจัยแก่ขันที่ไม่เป็นจิตซึ่งเกิดหลังๆโดยอนันตรปัจจัย จิตและสมัม ย, ย, ยุท ต, ตขัเ น, นเป็นปัจจัย แ, แก่วุฒฐานะโดยอนันตระปัจจัยพึงอ้างบทที่เป็นมูลจิตและสัมยุญตะขันที่เกิดก่อนๆเป็นปัจจัยแก่จิตและสัมยุทตะขันที่เกิดหลังๆโดยอนันตระปัจจัยละถึงเป็นปัจจัยโดยสมนันตรปัจจัยเป็นปัจจัยโดยสาชาตะปัจจัยมีห้าวาระเหมือนกับปฏิจวาระ เป็นปัจจัยโดยอัญญมัญญปัจจัยมีห้าวาระเหมือนกับปฏิจจวาระเป็นปัจจัยโดยนิสยปัจจัยมีห้าวาระเหมือนกับปัจจยะวาระอุปนิสยปัจจัยเจดสิบเสภาวธรรมที่เป็นจิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นจิตโดยอุปนณิสยปัจจัยมีสามอย่างคืออรมณูปนิสยอันันตรูปนิสยและปกตูปนิสย ประกาตูปานิจยะได้แก่จิตเป็นปัจจัยแก่จิตโดยอุปาณิจยะปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตโดยอุปาณิจยะปัจจัยมีสามอย่างเพื่อรัมณูปานิจยะอนันตารูปานิจยะและประกาตูปานิจยะประกาศตูปานิจยะได้แก่บุคคลอาศัยศรัทธาแล้วให้ทานมีมานะเธอทิฏฐิ อาศัยศีลเสนาสนะแล้วให้ทานละถึงทําลายสงศ์สัท ธ, ธาเสนาสนะเป็นปัจจัยแก่ศัท ธ, ธามากและพระสมาบัติโดยอุปาเนสยปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นจิตโดยอุปาเนสยปัจจัยผู้ประสงค์จะทําทั้งสองวาระในให้บริบูรณ์พึงเพิ่มข้อความเข้ามาทุกปัจจัยเหมือนกับข้อความตอนต้น ไม่มีข้อแตกต่างกันสภาวธรรมที่เป็นจิตและที่ไม่เป็นจิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นจิตโดยอุปาเนสียปัจจัยมีสามอย่างเครื่อรมโนปะเนสียอันันตารุปะเนสียและปกรตูปะเนสยภะกระตูปะเนสียได้แก่จิตและสัมปยุตตะขันเป็นปัจจัยแก่จิตโดยอุปาเนสียปัจจัยมีสามวาระปุเรชาตะปัจจัยเจ็ดสิบแปด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 เป็นปัจจัยแก่ขันที่สหรโตด้วยจกักหูวิญญาณโพธพายา ต, ตนะเป็นปัจจัยแก่ขันที่สหรโคด้วยกายญวิญญาณโดยปุเรชาตะปัจจัยวัตถุปุเรชาตะได้แก่จักกายญตนะเป็นปัจจัยแก่ขันที่สหรโคด้วยจกักขูวิญญาณกายญายตณนะละถึงภาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันที่ไม่เป็นจิตโดยปุเรชาตะปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นจิต เป็นปัจจัยแข่สภวธรรมที่เป็นจิตโดยปุเรชาตะปัจจัยมีสองอย่างคืออรมณบุเรชาต ะ, ะ, าตะและวัตุปุเรชาตะอารามณบุเรชาตะได้แก่บุคคลเห็นแจ้งจากสุหาไทยวัตถุโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงโทมนัสจึงเกิดขึ้นบุคคลเห็นรูปด้วยที่ประจักขุฟังเสียงด้วยที่ประโสตทาตุรูปายตนะเป็นปัจจัยแคจักขุวิญญาณโภทะพายตนะ เป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณวัตถุปุรเรชาตะได้แก่จักขลายตนะเป็นปัจจัยแก่จักขวิญญาณกายายตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณผาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่จิตโดยปุปรเรชาตะปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็น จ, จิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็น จ, จิตและที่ไม่เป็น จ, จิตโดยปุเรชาตะปัจจัยมีสองอย่างคืออรมณ์ปุเ ร, รชาตะและวัตถุปุเรชาตะ อารามณาปุเรชาตได้แก่บุคคลเห็นแจ้งจากสุหาไทยวัตถุโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงโทมนสจึงเกิดขึ้นบุคคลเห็นรูปด้วยที่ประจักขุฟังเสียงด้วยที่ประสงทาตรรูปายตนะเป็นปจัจจัยแก่จักขูวิญญาณและสัมยุญตะขันโพธพายตนะและถึงวัตถุบุเรชาตได้แก่จักขายตนะเป็นปจัจจัยแก่จักขูวิญญาณและสัมบุญตะขัน โดยปุเรชาติปัจจัยกายายตนะเป็นปัจจัยแก่ายวิญญาณและสัมยุญตขัน์พาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ จ, จิตและสัมยุญตะขันโดยปุเรชาตปัจจัยปัจจาชาตปัจจัยและอาเสวนปัจจัยเจ็ดสภาวธรรมที่เป็น จ, จิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็น จ, จิตโดยปัจจาชาติปัจจัยย่อสภาวธรรมที่ไม่เป็น จ, จิต เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตโดยปัจฉาชาตปัจจัยย ER ่อ да สภาวธรรมที่เป็นจิตและที่ไม่เป็นจิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตโดยปัจฉาชาตะปัจจัยย่อสภาวธรรมที่เป็นจิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นจิตโดยอาเจวนปัจจัยเม้าวาระกรมมปัจจัยปสิสภาวธรรมที่ไม่เป็นจิต เป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตโดยกรรมปัจจัยมีสองอย่างคือหาชาตะและนานาคณิกะสาชาตะได้แก่เจตนาที่ไม่เป็นจิตเป็นปัจจัยแห่งสัมยุตตะขันและจิตตดสมุฐารูปโดยกรรมปัใจจัยในปฏิสนธิขณะน า, นานาคณิกะได้แก่เจตนาที่ไม่เป็นจิตเป็นปัจจัยแห่ขันที่เป็นวิบากและขตะตารูปโดย k ร r มปัจจัย สภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เป็นจิตโดยกรรมะปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและนานาคณิกะสหชาตะได้แก่เจตนาที่ไม่เป็นจิตเป็นปัจจัยแห่จิตโดยกรรมะปัจจัยในปฏิสนธิคณะนานาคณิกะได้แกะะแ่เจตนาที่ไม่เป็นจิตเป็นปัจจัยแห่จิต ท, ที่เป็นวิบากโดยกรรมะปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นจิต เป็นปัจจัยแห่สภาวาธรรมที่เป็นจิตและที่ไม่เป็นจิตโดยกรรมปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและนาน า, นาคเนกะสหชาตะได้แก่เจตนาที่ไม่เป็นจิตเป็นปัจจัยแห่สสัมยุญตะขันจิตและจิตตสมุทารูปโดยกรรมปัใจจัยในปฏิสนธิขณะนาน า, นาคณนกะได้แก่เจตนาที่ไม่เป็นจิตเป็นปัจจัยแห่ขันที่เป็นวิบากจิต และปตตารูปโดยกรรมปัจจัยวิปากับปัจจัยเป็นต้นแปสเอดสภาวธรรมที่เป็นจิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตโดยวิปากับปัจจัยมีห้าวาระเป็นปัจจัยโดยอาหารปัจจัยมีห้าวาระเป็นปัจจัยโดยอินทรียปัจจัยมีห้าวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตโดยชานะปัจจัยมีสามวาระ เป็นปัจจัยโดยมรคปัจจัยมีสามวาระเป็นปัจจัยโดยสัมปยุตตะปัจจัยมีห้าวาระวิปยุตตะปัจจัยปดสิบสองสภาวธรรมที่เป็นจิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตโดยวิปยุตตะปัจจัยมีสองอย่างคือชาชาตะและปัจชาชาตะย่อสภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นจิต โดยวิบวิทยาปัจจัยมีสามอย่างคือสหชาตะปุเรชาตะและปัจฉาชาตะสหชาติได้แก่ขันที่ไม่เป็นจิตเป็นปัจจัยแก่จิตแต่สมุทฐานรูปโดยวิบวิทยาปัจจัยในปฏิสนธิขณะขันที่ไม่เป็นจิตเป็นปัจจัยแก่ขตตารูปขันที่ไม่เป็นจิตเป็นปัจจัยแก่หาไทยวัตถุโดยวิบวิทตาปัจจัยหาไทยวัตถุ เป็นปัจจัยแข่ขันโดยวิปยุตตาปัจจัยปุเรชาตะได้แก่จักรขายัตนะเป็นปัจจัยแข่ขันที่สอหรคด้วยจักรวิญญาณกายายัตนะเป็นปัจจัยแข็ขันที่สอหโรคด้วยกายวิญญาณหัวใจวัตถุเป็นปัจจัยแข่ขันที่ไม่เป็นจิตโดยวิปยุตตาปัจจัยปัจฉาชาตะได้แก่ขันที่ไม่เป็นจิตเป็นปัจจัยแข่กร่งนี้ที่เกิดก่อน โดยวิปยุตตะปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นจิตโดยวิปยุตตปัจจัยมีสองอย่างคือสหาชาตะและปุเรชาตะสหาชาตะได้แก่ในปฏิสนธิขณะหาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่จิตโดยวิปยุตตะปัจจัยปุเรชาตะได้แก่จักขายตนะเป็นปัจจัยแก่จักขวิญญาณกายายตนะ เป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณภาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่จิตโดยวิปยุตตปัจจัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นจิตเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นจิตและที่ไม่เป็นจิตโดยวิปยุตตะปัจจัยมีสองอย่างคือสหาชาตะและปุเรชาตะสหาชาตะได้แก่ในปฏิสนธิขณะภาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่จิตและสัมปยุตตะขันโดยวิปยุตตปัจจัยปูเรชาตะได้แก่ จก Tim, ักรายัตนะเป็นปัจจัยแก่จักขรวิญญาณและสัมยุญตะขันโดยวิยุญตรปัจจัยกายายัตนาเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณและสัมยุญตระขันพาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่จิตและสัมยุญตะขันโดยวิยุญตรปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นจิตและที่ไม่เป็นจิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตโดยวิยุญตรปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปัชาชาตะ ย่ออธิปัจจัยแปดสสภาวธรรมที่เป็นจิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตโดยอธิปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปัจฉาชาตะย่อสภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตโดยอธิปัจจัยมีห้าอย่างคือสหชาตะปุเรชาตะปัจฉาชาตะอาหาระและอินทรียะย่อ สภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นจิตโดยอธิปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปุเรชาตะสหชาตะได้แก่คันที่ไม่เป็นจิตเป็นปัจจัยแก่จิตโดยอธิปัจจัยในปฏิสนธิขณะในปฏิสนธิขณะหาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่จิตโดยอธิปัจจัยปุเรชาตะได้แก่บุคคลเห็นแจ้งจากสุหาไทยวัตถุโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยง ปัจจัยนี้เหมือนกับปุเรชาตะปัจจัยย่อสภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นจิ ต, จ แ, จตและที่ไม่เป็นจิตโดยอธิปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปุเรชาตะสหชาตะได้แก่ขันหนึ่งที่ไม่เป็นจิตเป็นปัจจัยแก่ขันสองจิตและจิตจารสมุทฐานรูปโดยอธิปัจจัยในปฏิสนธิขณะขันหนึ่งที่ไม่เป็นจิตละถึง ในปฏิสนธิขณะหาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่จิตและสัมยุญตะขันโดยอธิปัจจัยปุเรชาตะได้แก่บุคคลเห็นแจ้งจากสุหาไทยวัตถุปัจจัยนี้เหมือนกับปุเรชาตะปัจจัยย่อ84สภาวธรรมที่เป็นจิตและที่ไม่เป็นจิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตโดยอธิปัจจัยมีห้าอย่างคือสหชาตะปุเรชาตะ ปัจฉาชาตะอาหาระและอินทรีย์สหสชาตะได้แก่ขันหนึ่งที่ไม่เป็นจิตและจิตเป็นปัจจัยแก่ขันสองและจิตตสมุทฐานรูปโดยอันติปัจจัยขันสองสหสชาตะได้แก่จิตและหาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันที่ไม่เป็นจิตโดยอันติปัจจัยแม้ในปฏิสนธิขณะก็มีสองวระสหสชาตะได้แก่จิตและสัมปยุตตะขัน เป็นปัจจัยแก่จิตสมุทนานรูปโดยอธิปัจจัยสชาชาตได้แก่จิตและมหาภูตรูปเป็นปัจจัยแก่จิตสมุทนานรูปโดยอธิปัจจัยแม้ในปฏิสนธิขณะ่็มีสองวาระปัจชาชาตะได้แก่จิตและสัมยุญตระขันเป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิดก่อนโดยอธิปัจจัยปัชาชาตะได้แก่จิตสัมยุญตระขันและโกลิงกราหาน เป็นปัจจัยแก่กายนี้โดยอธิปัจจัยปัจจ้าชาตะได้แก่จิตสัมยุญตขันและรูปชีวิตินซีเป็นปัจจัยแก่กตาตารูปโดยอธิปัจจัยหนึ่งปัจญานุโลมสงสัมพยาวาระสุทไนแปดสิบห้าเหตุปัจจัยมีสามวาระอารมณะปัจจัยมี9ก้าวาระอธิปติปัจจัยมี9้าวาระ อ น, นันตระปัจจัยมี9ก้าวาระสมนันตระปัจจัยมี9ก้าวาระสหชาตปัจจัยมีห้าวาระอัญญมัญญะปัจจัยมีห้าวาระนิจยะปัจจัยมีห้าวาระอุปาณิจยะปัจจัยมี9้าวาระปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระปัจฉาชาตะปัจจัยมีสามวาระเสวนปัจจัยมี9ก้าวาระกรรมะปัจจัยมีสามวาระ วิปากปัจจัยมีห้าวาระมหาขปัจจัยมีห้าวาระเอินทริยขปัจจัยมีห้าวาระชานะปัจจัยมีสามวาระมัคคะปัจจัยมีสามวาระสัมปยุตตปัจจัยมีห้าวาระวิปยุตตปัจจัยมีห้าวาระอธิขปัจจัยมีห้าวาระนัตถิปัจจัยมีเ้าวาระวิคตตะปัจจัยมีเ้าวาระอวิคตตะปัจจัยมีห้าวาระ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 โดยระมณะปัจจ AH, ัยและอุปาเนจยปัจจัยแปสิบเจ็ดสภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตโดยระมณปัจจัยสหชาติปัจจัยอุปาินจยปัจจัยปุเรชาตปัจจัยปัจฉาชาตปัจจัยระมะปัจจัยมหาราปัจจัยและอินทรียปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นจิตโดยระมณะปัจจัย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 ปัจญยปัจจนียะสองสังขยาวาระแปดสิบเก้านัเหตุปัจจัยมีเก้าวาระนอารรมณะปัจจัยมีเก้าวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละเก้าวาระโนวิคตะปัจจัยมีเก้าวาระสาปัจจญานุโลมปัจญิยาเก้าสิบนัอารรมณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระละถึง ณสมนันตระปัจจัยมีสามวาระณอัญญามัญญะปัจจัยกเพสุปัจจัยมีหนึ่งวาระณอุปาณิสีปัจจัยมีสามวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละสามวาระณมขะปัจจัยมีสามวาระณสัมปยุตตปัจจัยมีหนึ่งวาระณวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระโนนัติปัจจัยมีสามวาระโนวิคตะปัจจัยมีสามวาระสี่ ปัจยะปั จ, จนิยานุโลม 91. อรมารมณะปัจจัยคำนะเหตุปัจจัยมีาวาระอธิปติปัจจัยมีาวาระพึงเพิ่มบทอนุโลมปติโลมมาติกาจิตตทุกะจง เจตกะทุกะหนึ่งปฏิจจวาระหนึ่งปัจญานุโลมหนึ่งวิพังคาวาระเหตุปัจจัยเก้าสิบสองสภาวธรรมที่เป็นเจตสิกอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเจตสิกเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันสองอาศัยขันหนึ่งที่เป็นเจตสิกเกิดขึ้นขันหนึ่งอาศัยขันสองเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะ S <S <ọ craft> สภาวธรรมที่ไม่เป็นเจตสิกอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเจตสิกเกิดขึ้นเพราะเหตุกปัจจัยได้แก่จิตและจิตแตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์ที่เป็นเจตสิกเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะจิตและกตัตตารูปอาศัยขันธ์ที่เป็นเจตสิกเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นเจตสิกและที่ไม่เป็นเจตสิกอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเจตสิกเกิดขึ้นเพราะเหตุกปัจจัยได้แก่ ขันสองจิตและจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันหนึ่งที่เป็นเจตสิกเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสองในปฏิสนธิขณะเก้าสิบสามสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเจตสิกอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเจตสิกเกิดขึ้นเพราะเหตุตปจัจใจได้แก่จิตตสมุทฐานรูปอาศัยจิตเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณ ะ, ะตัตตารูปอาศัยจิตเกิดขึ้น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 ละถึงอาศัยจิตในปฏิสนธิขณะขันธ์ที่เป็นเจตสิกอาศัยหาไทยวัตถุเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่เป็นเจตสิกและที่ไม่เป็นเจตสิกอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเจตสิกเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่สัมปยุตตะขันและจิตตะสมุทานรูปอาศัยจิตเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะละถึงอาศัยจิตในปฏิสนธิขณะ จตและสัมยุญตะขนันอาศัายหาไทยวทัตถุเกิดขึ้นเกา้สาสภาวธรรมที่เป็นเจตสิกอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเจตสิกและที่ไม่เป็นเจตสิกเกิดขึ้นเพราะเหตุถูกปัจจัยได้แก่ขันสองอาศัายขันหนึ่งที่เป็นเจตสิกและอาศัายจิตเกิดขึ้นละถึงอาศัายขันสองในปฏิสนธิขณะขันสองอาศัายขันหนึ่งที่เป็นเจตสิกและอาศัายจิตเกิดขึ้น ละถึงอาศัยขันสองในปฏิสนธิขณะขันสองอาศัยขันหนึ่งที่เป็นเจตสิกอาศัยจิตและหาไทยวัตถุเกิดขึ้นละถึงอาศัยขันสองสภาวธรรมที่ไม่เป็นเจตสิกอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเจตสิกและไม่เป็นเจตสิกเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่จิตตสมุทานรูปอาศัยขันที่เป็นเจตสิกและอาศัยจิตเกิดขึ้นจิตตสมุทานรูป อาศัยขันธ์ที่เป็นเจตสิกและอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณนะกระตัตตารูปอาศัยขันธ์ที่เป็นเจตสิกและอาศัยจิตเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะกระตัตตารูปอาศัยขันธ์ที่เป็นเจตสิกและอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะจิตอาศัยขันธ์ ท, ที่เป็นเจตสิกและอาศัยมหาทัยวัตถุเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่เป็นเจตสิกและที่ไม่เป็นเจตสิก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 ขันสองและจิตอาศัยขันหนึ่งที่เป็นเจตสิกและอาศัยหทัยวัตถุเกิดขึ้นขันหนึ่งและจิตอาศัยขันสองและหาไทยวัตถุเกิดขึ้นอารามณปัจจัย9าสภาวธรรมที่เป็นเจตสิกอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเจตสิกเกิดขึ้นเพราะอารามณปัจจัยได้แก่ขันสองอาศัยขันหนึ่งที่เป็นเจตสิกเกิดขึ้น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 สัมปยุตตะขันอาศัยจิตเกิดขึ้นในปฏ er ิสนธิขณะสัมปยุตตะขันอาศัยจิตเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะขันที่เป็นเจตสิกอาศัยหทัยวัตถุเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นเจตสิกและที่ไม่เป็นเจตสิกอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเจตสิกเกิดขึ้นเพราะอารหมณปัจจัยได้แก่ในปฏิสนธิขณะจิตและสัมปยุตตขันอาศัยหทัยวัตถุเกิดขึ้น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 1. ปัจญานุโลม 2. สังคยาวาระสุทนัยเ8เหตุปัจจัยมีก้าวาระอารมณปัจจัยมีก้าวาระอธิปติปัจจัยมีก้าวาระอนันตระปัจจัยมีเก้าวาระสมนันตระปัจจัยมีก้าวาระสหชาตตปัจจัยมีก้าวาระอัญญมัญญปัจจัยมีก้าวาระนิสยปัจจัยมีก้าวาระ ปุปปานิเสียปัจัจมีเก้าวาระปุเรชาตะปัจัยมีห้าวาระอาสวณนะปัจัยมีห้าวาระกรรมะปัจัจมีเก้าวาระทุกปัจัยมีปัจัยและก้าวาระอวิคตะปัจัจมีเก้าวาระสองปัจยยะปัจนิยะหนึ่งวิพังขวาระนเหตุตุปัจจเก้าสบเก้าสภาวธรรมที่เป็นเจตสิก อาศัยสภาวะธรรมที่เป็นเจตสิกเกิดขึ้นเพราะนเหตุตกปัจจัยได้แก่ขันสองอาศัยขันหนึ่งที่ไม่มีเหตุซึ่งเป็นเจตสิกเกิดขึ้นและถึงอาศัยข oh ันสองในปฏิสนธิขณะที่เป็นอเหตตกะโมหะที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยอุทัจฉาอาศ <im> ัยขันที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยอุทัจฉาเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเจตสิก อาศัยสภาวธรรมที่เป็นเจตสิกเกิดขึ้นเพราะนเหตุปัจจัยได้แก่จิตและจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์ที่ไม่มีเหตุซึ่งเป็นเจตสิกเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะที่เป็นอเหตุุตะสภาวธรรมที่เป็นเจตสิกและที่ไม่เป็นเจตสิกอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเจตสิกเกิดขึ้นเพราะนะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สองจิตและจิตตสมุทฐานรูป อาศัยขันหนึ่งที่ไม่มีเหตุซึ่งเป็นเจตสิกเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสองในปฏิสนธิขณะที่เป็นอเหตุตุกะหนึ่งร้อยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเจตสิกอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเจตสิกเกิดขึ้นเพราะนเหตุตุ ป, ปัจใจได้แก่จิตแตสมุทฐานรูปอาศัยจิตที่เป็นเอเหตุตุกะเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะที่เป็นเอเหตุตุกะกระตัดตารูปอาศัยจิตเกิดขึ้น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 น้ำปะยุติข <smoking> ันอาศัยจิตเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะที่เป็นในเหตุตกะขันที่เป็นเจตสิกอาศัยหาทัยวัตถุเกิดขึ้นโมหะที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรโคด้วยอุททะจะอาศัยจิตที่สหรโคด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรโคด้วยอุททะจะเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นเจตสิกและที่ไม่เป็นเจตสิกอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเจตสิกเกิดขึ้นเพราะนเหตุตกจใจได้แก่ สัมปยุตตะขันและจิตตสมุทารูปอาศัยจิตที่เป็นอเหตุกะเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะที่เป็นอเหตุกะสัมปยุตตะขัน์และกระตาาร the, the ierte, ูปอาศัยจิตเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะที่เป็นอเหตุกะจิตและสัมปยุตตะขันอาศัยหทัยวัตถุเกิดขึ้นร้อยหนึ่งสภาวธรรมที่เป <anki S 1> ็นเจตสิกอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเจตสิกและที่ไม่เป็นเจตสิกเกิดขึ้นเพราะนเหตุปัจัยได้แก่ ขัน 2, อาสองอาศัยขันหนึ่งที่ไม่มีเหตุซึ่งเป็นตเจตสิกและอาศัยจิตเกิดขึ้นละถึงอาศัยขันสองในปฏิสนธิขณะที่เป็นในเหตุตุกะขัน 2, อาสองอาศัยขันหนึ่งที่เป็นเจตสิกและอาศัยจิตเกิดขึ้นละถึงอาศัยขันสองในปฏิสนธิขณะที่เป็นในเหตุตุกะขันสองอาศัยขันหนึ่งที่เป็นเจตสิกและอาศัยหาไทยวัตถุเกิดขึ้น ละถึงอาศัยขันสองโมหะที่สห์โรคด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยอุทะจะอาศัยขันที่สหรคด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยอุทัจะอาศัยจิตเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่เป็นเจตสิกอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเจตสิกและที่ไม่เป็นเจตสิกเกิดขึ้นเพราะนะเหตุปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันที่ไม่มีเหตุซึ่งเป็นเจตสิก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 จิตอาศัยขันธ์ที่เป็นเจตสิกและอาศัยหาไทยวัตถุเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นเจตสิกและที่ไม่เป็นเจตสิกอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเจตสิกและที่ไม่เป็นเจตสิกเกิดขึ้นเพราะน่ะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สองและจิตตะสมุฐานรูปอาศัยขันธ์หนึ่งที่ไม่มีเหตุซึ่งเป็นเจตสิกและอาศัยจิตเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะที่เป็นนเหตุุกะขันธ์สองและกระตตารูป อาศัยขันหนึ่งที่เป็นเจตสิกและอาศัยจิตเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะที่เป็นอเหตุทุกะขันสองและจิตอาศัยขันหนึ่งที่เป็นเจตสิกและอาศัยหาไทายวัตถุเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสองณอารมณปัจจัยร้อยสองสภาวธรรมที่ไม่เป็นเจตสิกอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเจตสิกเกิดขึ้นเพราะณะอารมณะปัจจัยได้แก่จิตตะสมุทนานรูป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 กิดขึ้นเพราะนารมณ์นัจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์ที่เป็นเจตสิกและอาศัยจิตเกิดขึ้นจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์ที่เป็นเจตสิกและอาศัยมหาภูต ร, รูปเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะพึงเพิ่มเข้าทั้งสองวาระย่อ 2. ปัิยะปัจญิยะสสังขยาวาระสุทไนร้อยสาม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 นกรรมปัจจัยมีสี่วาระนวิปากปัจจัยมีเก้าวาระนอาหาระปัจจัยมีหนึ่งวาระนอินทริยปัจจัยมีหนึ่งวาระนัาณปัจจัยมีหกวาระนักมคะปัจจัยมีเก้าวาระนสัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระนวิปยุตตปัจจัยมีหกวาระโนนัิปัจจัยมีสามวาระโนวิคตะปัจจัยมีสามวาระ สปัจจญานุโลมปัจญียะร้อนอารมณะปัจจัยกับเพะุปัจจัยมีสามวาระนอธิปติปัจใจมีเก้าวาระย่อ 4. ปัจยะปัจญียานุโลมร้อห้าอารมณะปัจจัยกับนาเหตุปัจจใจมีเก้าวาระอันันตระปัจจัยมี9้าวาระละถึงปุเรชาตะปัจจัยมีห้วาระ อาเสวนปัจจัยกับนเหตุตปัจจัยมีห้าวาระรามะปัจจัยมีเ้าวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละเก้าวาระมัคคะปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคัตะปัจจัยมีเก้าวาระสหชาตะวาระเหมือนกับปฏิจจวาระ